นักบูัสจาปุถุวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสนาบูัสจาปุถุวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสนาบูตัสจาปุถุวะตุอะระหตสัมมาสัมพุทธัสสนูสจะัะรวาชาติีอะไรน อจดแล้ววันเี้ไปขึ้นนรนจดแล้วพันนี้แย่มาเยอะตัวอาวะไม่ค่อยหลักกันขึ้มาซ้อนแล้วเมือคืนที่ต่มาเปนสองเมื่อไม่หลักเลยเส้นไหวไม่รูวเลยเราาดบัตรเมี้จะมาพลาดจะแสดงพระจะทำมาเททนงา ในสังเรองร่วมกันนึ่งเรมือนร่วมด้วยสันดรนแล้วก็เรื่องในสองโลกโพลองสูตรเอากันเพื่ hey. อเพิเวลาโดยเฉพาะอย่างยื่งร่งมด้วยฉันดานชาดกที่คนดาเป็นพุทธริษัชทำทุกแหน่ทำในสองวันทั้งคืนสาวันทั้งคืนในความจริงไม่มีอะไรมากก็มีอย an ่างเดียวคือทานนวารามีทร้มเนตรธรรมะวารมี สรุปแล้ะเห็นว่าเพระเวทพุดรตั้งใจเกิดมาคอบใหม่ๆเพราะการวายใจากล่าว่ามักด่าแต่แม่มีทรัพย์ไหมขอหนึ่งันบาทขอแจกขานเพิ่แค่ออกจากเท่าแม่เดี๋ย ว, ยวนะขอเลยแล้วนัดจ น, นกระทั่งมาทั้งแต่หวายทานไปเวลาแต่ว่ามีทางที่เสียดทานหนึ่งเึื่อเมียนิสูง เขกาก็ได้ย่าโยนพุทธวิสัท์ทรสาบไปด้วยโดยการให้สุราเป็นทานนี้ไม่มีอนาาิสงส์ที่จะื่องอนสง์เกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นสวรรค์นั้นไม่มีแท้ในองค์สมพระพุทธมีพระเจ้าต่างอย่างนี้บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ถามว่าทำเตยพระเกวายนข้าแต่องค์สมเดพระพุทธมีพระเจ้าต่างอย่างนี้ในเมื่อการให้สุราเป็นทานไม่มีอนิสงส์ แต่ว่าในสมัยที่องค์เขาเปรตนองค์เป็นด้วยขึ้นดอนชาตุด้วยขึ้นดอนทำไมจงให้กุราเป็นชานตอนารนั้นองค์เข า, วว า, า, า, าเปิดพิจทตรมาจ่าว่าสถาคดไทหเพื่อปชี้พอใจพระบุคคลผู้รักในสมัยความว่าคนชื่อเล่ากียานี่ให้อากิมันไม่ชอบชอบเล่าสอบยาก็เลยให้กินไม่มีส็สง หลังีจากนั้นมาได้ให้ทานในขั้นชั้นข่านต่อต่อต่อต่มหาทานแล้วต่อมาขั้นในสุดท้ายด้วยพระทานที่พระเวทขั้นตอนนีเกิดเป็นชาติสุดท้ายแล้วต่อไปจะเป็นพระเจ้าพระเจ้าของเราองค์นี้น่าเกิดพระเวทขั้นตก็พว่ายังขาดทานทานอย่งที่ยังไม่ให้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้ให้ทานพิเศษทานอย่งให้ลูกเป็นทานให้มียเป็นทาน ยังไม่ลูกไม่ให้เมียเป็นทานเพียงใดจะเป็นพระเจา้าเพียงใดฉะนั้นเมื่อพระเวสสันดรให้ช่างประเจรมาเขาก็ยินไปมันดาโพวดาทั้งหลายที่บรนดานัมะ่มันดาโดยช า, า, ายชนมัาไมมีความโกรดพระโยงส่งเสริมชาบ้านให้ขับไล่พระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ส่งรับ เมื là, ่อเขาขับไปแล้วก kind of <seu> ็อยู่เขาลงกดแอ้ที่เขาล็กดจะั็พรอินทมีจการเสร็จนั่นคือที่ว่าพระอินทร์สามเมสกรรให้ไปสร้างกำลังสองแห่งเพรว่าหนึ่งเขาก็เลยสมบัติเสียงชี่ไปด้วยสอนเขาว่าว่าสีจะลูกโยมลูกใครเสียงดังโยมลูกใครเสียงดัง เด็กก <inal> ็จะบาปพ่ก็จะบาปด้วยนะก็อก็จะวาในเมื่อกขาไม่ขึ้นดันมีอยู่เขาบนกดก็มีชูชกคือพระเทวทัตนายขอกัญหาใ้ชาลีถ้าไท่ขึ้นดก็ให้ตามนีสัยที่คนเดียวเป็นมือพระตจาว ในเมื่อให้เงินแล้วบรรดาเจ้าประตูสัจเจนว่ากัรหาในชาดีจังสองคนไม่เมื่อเราให้เงินแล้วโชชกคนจะเอาตวาใจจะให้โชกกลับไปหนีตีขับหนีตีไล่เองเชือกหัวกระเทียนตีโค้กที่เป็นอย่างนี้องค์พระเดรัจฉ์บอกว่าการที่การหาใชายต้อง ต, ต้องโทษอย่างนั้นก็ว่าในสมัยชาติก่อน ก่อนจะมาเกิดไป็นหมหาวยชาลีทั้งสองคนนี่เป็นลูกขูงชาวนาื่อตอนเล็กๆ็กก็คอยดูมารับแลว้วใครจะเข้ามาลินข้าวในนาก็มีใครแก่ตัวหนึ่งแก่เท่าใจนหน่ายตาไม่เคยดีไม่หากิงที่อื่ไม่ได้ก็ไปกินข้ากลา้าพ่อแม่ก็สั่งให้ใหไปไล่ตีไล่ไล่ไป เมื่อไล่ไปไปเดียวหนึ่งมันก็กลับมากินใหม่ก็พวกไอ้สองคนช่อยน้องก็ถูกพมแม่ว่าไม่เคยดูไฟกไร่ใหม่ไล่ไปสักไปเดียหนึ่งก็กลับมากินใหม่อีธานีโมโหไล่จับใครตัวนั้นผูกสะพายต te ิดกระดุมไม้สองคนช่วยอาไม่เร็วดีเจ้าายกูก็กำมันนี่ใครกูไม่เกิดมาเกิดเป็นโชชก เด็กสองสองคนก็เควนเป็นการหาได้ชาลีต้องช่วยกดต้องานัดมีวกของกรรมนี่คือเื่อกรรมเล็กมากาาที่บรรดาจงพระ ด, ดุจฎีจงอยากคิดว่ามันไม่มีผลถ้า่อมาภายหลังมาองเขาบอกว่าเจ้าพระคือพระเวทสึนดอนไม่จันหาได้ชาลีสองทุกทุกักไปแล้วเราก็นาซสีกลับกลมา ถามหาเขาสองคุบาลด้วยาคุณบนลเขาสุดว่าท่านบอกตรงๆก็เกรงว่าพนาเมสีจะตายก็เสียใจท่เขหายไปจึงแป้งจาหาพนาเมสีว่าจับใบชาพ่อสาไเพิงชู้กับคนทันในป่าตัวทัานพนาเมสีเสียใจสลดไปหลังจากนั้นเมื่อเขาหวี่ยงพนาอิแก้ฟืนแล้ว ก็บอกตามความเป็นจริงว่าพี่ให้สมุมไพก็จะใส่จูทุกไปสมมีิรื่อาบทนารื่องพุทธิยานเนี่ยตานามสซีก็ไม่ใข่คล่องยกมือโบศนาใจกคดของกรรมอันนี้บรรดาเป็นผู้โดยสัตว์หลายโดยทุนนาที่ว่าถามว่าทำไมพระเวททานมัจะบอกตรงๆไม่ได้หรือทั้ทั้ง่องนามาสไม่ใคยขัดการให้ทานทั้งจาว่าพระอาศัยวิธการที่มนามาสิงเรื่องสันดอ มีกันต่อกันมาแต่ในใช่ก่อนทั้งนี้จะเห็ว่าเราเฟังเทศ่อเรื่องมัตสีพิลามัตศีลานิการว่างาถ้ามีใครเขาจ้างมาห้าสกแสนก็จะเชื่อถือต่ออนามัสีกล่าวขอโทษทุกอย่างท่าี่ผ่านมาในใช่ก่อนแต่มาในจุดนี้ก็มีว่าในสมัยครั้งนั้นพระเวสสังดายกับนามัตสีเกิดเป็นนกจาบ เมื่อนกกระจาบภูมียออกรูปกลับมาก็วู่ก็ต้องไปหาอาหารวันนี้ก็ไปเจ็ดดอกเบื่ใหญ่ดอกเบืมันใหญ่มากมีอาหารไกี่นันก็ไปจิตหาอาหารพอดีอุณหภูมิตอนเย็นไอ้จิตวัวก็หกกลัมาพิออกฟังไม่ได้ต้องกลับมาในตอนเชา้าใส่เนือ้อกกระจาบภูมิคิดว่าสามมีหายไปรอบมีชู้ไปสูงแช่สูงอย่างอื่น ก็มีความโกรธทั้งด่าทั้งว่าทั้งตีผัวก็ไม่ว่าอะไรอันนี้จะบรรดาญาโยมพระตวายสทั้งหลายเึ่งการว่าที่บาวาเสียต้นตอถูกเพราะเว้นนอนต่อว่าจนต้องสลบไปเพราะกรรมมันนุ่นมาสนองก็เปราะที่ว่าเรื่องพระเว้นนอนชานจบจบจบมันจบที่ยังไงถ้ามันจบแก่ประเทศต่อไปเมื่อเราเว้นนอนบ้าน อยู่ที่เขาองกฎภายหลังกันเมือพ ร, ระอธิวาพระจุลันดาต้องกันหาชาลีที่จะพบนําไปก็หลงเข้าไในเมืองท่านเอาถ่ายเอาไว้ก็มารับพรเพื่อสิ้นันกลับเมืองเป็นเวราชาต่อไปในเมื่อเป็นเวราชาเจะสิ้อายุขก็ตายตายจากความเปนพเพื่อสิ้นยนก็เลยกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านรู้สึกใเวลาที่จะมาเกิด ทันมาถึงเวลาที่มันเกิดแล้วองค์ธธรรรพระเดชพระปุรพะเชิตรพระบารียบแก้วมุ่งเข้าสู่คันพระมันดาเรื่องประเดี๋ยงอะไัแล้วตหนหลังจะมันมาองคงพธธระเดพูมิ้ดพระเจ้าจัก็ทำมเทศนาสามัญดาท่าพรธบริัท์ได้ห้าพรรษาห้ารรษาน่าจหานนจังดีนะไม่ใช่ออกห้านะ เว่าะพระพุทเจ้าจะเอาพระเทศตัวคนทั่วไปแต่ว่าไม่เข้าไปสอนคนในกรุงอริยนภัตเพราะคนในกรุงอริยนภัตที่มีสติมานะมากไม่มีศรัทธาในพระองค์าการเทศทมันดาจะพระเราใส่เขาต้องมีศรัทธากันก่อนพระเจ้าด้วยก่อนว่าถ้าบุคคลใดไม่มีศรัทธาพระเจ้าจะไม่เทศโปรดตอนมาเมื่อเวลาห้าปีผ่านไป พระเจ้าก<ป>ุโธตระมาห์ไก็ส่งคนมาเศ้าพระเจ้าชวามาตมาหนึ่งคนพ้าบวิวันหนึ่งันคนมานี่มโนพระเจ้าให้กลับเข้าไปเทศน์ในกรุงภันพัฒน์เต็มโลกพระวิดามางหลายเหล่าที่บริวานเมื่อมาถึงพระเจ้าแล้วพระเจ้าเทศโตจบเดี้ยงกันหนึงเมื่อเป็นเลียแล้วก็บอกบอกว่าก็ลืมเรื่องพระเจ้าประดให้ลืมเรื่องเสีย ส่งมาแบบนี้หลายสิบชุดเพื่อให้ชุดสุดท้ายส่งองค์สง่สงท่าอุชายีมาท่าอุชายีมาขเขาในวันหนึ่งทันคนเหมือนกักกนท่านมาพบองค์เขาเดีวไปทดสอบลแล้วพระเจ้าว่าสงเทศพอเทศจบท่ามหมดก็เป็นพอาหาันหมดแล้วก็พากันบวกแต่ว่าท้าอุชายีไม่ลืม หลังจากนั้นพระนทายีจะงมีมโนทุติเจ้าให้ไปกรุงรบินพัฒนาครเพราะว่าจอมบพิตรอดิศมาเจ้าพระพุทธธนะมหาราชตั้งใจจะฟังมัธรรมเทศนาแต่ว่าท่านทายีท่านมีความฉลาดถ้าไม่มีมโนตรงงเข า, าจะไปอหภิมุสราอะระหังไม่ยอมทราบตามความเป็นจริงว่าอะไรควรไม่ควร เมื่อกล่าวพนาในการเดินทาง จ, กงะจะากกรุงราชช์ขึ้มานครไปถึงกรุงอภินพัฒเป็นทางที่ต้องเดินหน้าสัญจรเป็นระยะทางหกสิบเยอะเมื่อพระเจ้าทรงทราบก็บอกอุทายีถ้าอย่างนั้นเธอจพาบริวารเธอไปก่อนสุธาทศจะตามไปทีหลังเมื่อท่านอุทายีไปแล้วไปถึงกรุงอภินญพัฒก็ไปเทศบ้างไปคุยบ้างอาจจะบา้านโขาทราบชาวบ้านําวเมืองทราบ พระเจ้าก็ส่งกรด็จไปวันนโยยศไปหกสิบวันให้พระชายาเสียทุนที่ <c oughs> แต่ผงก็ไม่คดีสาดภานองคงฤกษ์เป็นพระยังไม่ดีพอป <c oughs> ็เพราะอย่างนี้พระเจ้ามีมณาฑาิทิ่มากในเมื่อพระเจ้าเคยเข้าไปถึงแล้วองค์สุดพระผู้เจ้าประทับนั่งพระราชบิดารทรงถวายบังคมพ่อกรา บ, บกับลูก รำลูกของข้าพุทธเจ้าวันนี้มันดาเจ้านายที่เป็นญาติคว่าเจ้าของข้าพุทธเจ้าที่มีอายุแก่กว่านั่งข้างหลังให้เจ้านายเด็กๆมาสนับให้เจ้านายเด็กๆกลาบแต่ตนเองไม่กลบเราะว่าโตกว่าด้วยเหตุครณ์ที่แสดงว่ามีมานาสิทธิไม่มีศรัทธาพระเจ้าเห็นว่าถ้าเ่ศยทางนี้ไม่มีประโยชน์แสดงที่ส่งผลไปจนนี้เสร็จ จึงเะจาพื้นที่ขุปป้นไปบากาศเหาะวนไปวนมาอยู่พักหนึ่งพอเป็นที่ขึ้นขึ้นหน้าเดือนใสคนไหลก็ลงมาเมื่อลงมาแล้ ว, ลลลวพระอาจารย์องค์ก็าพระพุทแเจ้าพราพุเจ้าสุโธสังมหาราชก็กราบอี ก, ก, ร ก, ก, ออกครั้งหนึ่งก็ทรงใบกาศพ้ะพุทธเจ้ากราบพระองค์มาสามครั้ง ตั้งแต่สมัยเมื่อเป็นเด็กอายุประมาณเจ็ดปีมีงานวาดนาฝันเวลาหนัุ่มๆนัน่งหัดสมาธิอยู่ใต้ต้นไทรเวลาบ่ายไปเล่าเงาไม่ส่อยตามไปข้าพเจ้าเห็นไม่อาจสังเกตก็กราบแต่งข้งเมื่อตะคุ่นมาถึงก็กราบแต่งข้งเวลาไม่หาะลงมาแล้วก็กราบแต่งข้งเมื่อพระเจ้าคุณพรน้นากราบราดทั้งข้งสุดท้ายบรรดาเจ้าทัหลยก็กราบ เชือวังสวรรค้ก็่ค่อเจ้าจึงจงเรียนมาจำมเดชนาโกรพระเจ้าเมื่อจบก็มีเจ้าหลายองค์บรรลุ่าผลนี้พระเจ้าพระโธเทนะมหาราชพระดุสิตาเป็นมุสุมดาบันพระเจ้าในาหลายองค์เป็นพระเป็นพระอริยเจ้าขอบวชหลังจากนั้นเป็นมาวงสวรรค์ก็สมมาตัมพระเจ้าแสดงวัชปเทสนาเรีมา จนกรท่างถึงอันสาที่เจ็ดจำให้มีในะง า, งางนเนีอย่างนี้นักเรียนไม่เคยรู้นัเรียนธรรดาไม่เครู้นะว่ า, า อ, นะอันสาที่เท่าไรนะอันสาที่เจ็ดที่สุ ด, จดเจริญยมุปฏิหารเวลามันองพุทธวิจมานทประกาศห้ามพระสงฆ์ราว่าท่านเินโดพระรตวาชาัท่านไปเหาะให้ชาวบ้านเห็น จะนี้ว่าบรรดาข้เดือดถีทั้งหลายข้าวกระไกว่าเขาก็เป็นพัยร้ายบางเอิมมีเศรษฐีคนหนึ่งนะฮะเศรษฐีอาบ น, น้ำ จ, าจนานา่าด้านอันทเลนี่บรรดาลูกน้องก็คิดว่าอันตรายจะมีพระเจ้านายสบ า, ายในน้ำก็เดี๋ยวไขเลยดักขันไว้รอมาเจ้านายก็อาบเมื่อกู้ใขอลไรเข้มาก็โผลมีจนมีปมกันกันติดขึ้มา เมื่อมีปุรมกาจันติจึงมาอย่างนั้นแล้วเขา่าคิดว่าขึ้นอยู่ปุ่ารจันต์บ้านเรามีมากเวลานี้ทุกสํานักประกาศตนว่าเป็นพระอรหรันต์เราก็จะพิสูจน์ยังสั่งให้คนแกะบาตลูกนั้นอันแก่ปุ่มการจันต์เป็นบาตรต้านมันเนข้าไปแขวมระดีสูงแล้วประกาศว่านักตังระบัดนี้เ็นไปเจ็ดวันถ้าสานักไหนมีพระอรหันต์ให้หอบาอบาต มันดาดรริสทังหลายมันหอบไม่เป็นมันไม่เป็นลานั่นมันเป็นการหันโกงเขาอ่ะด้วยการทำท่าทำทางทำท่าอยากก็ยกยังกูก็จะก็ศพบอกก็รู้ว่าา่าฉันทำท่าอยากแล้วแกดึงไว้กันใบจงยา่าเอาใบแค่บาทลูกเดียวท่ายันมันเีลาแบบเดนโรงเขาเขาก็ไม่ยอมให้จนเขาตั่งถึงเช้าวันที่เจ็ด วันนั้นพระโมกคัลลายแล้ว่อนดินโพราลตวัชะนอนข้างจยาจำาป็นสายอยู่นเขาพิจิตรเพราะเขาพิจิตรในโลกไม่สูงต่ำต่ำาชาติก็จะออกมาเป็นนําบาทกาลังห่มผ้าเพื่อเป็นบาตนั่งก็หนึงก็มีขี้เมาสองสามคนนั่งคุยบบกันเบ้ย สมันี้ไม่มีเพานัหมายพวกนัหันจริงเลยเพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วมีกวันผ่านมาแล้วโดหาเศรษฐีบายก็วปแขนั่งกาที่สูงไม่มีสมรภ์ไหนสามารถจะเหาะได้เพราะแสดงไม่มีใครเป็นพรอเพราว่ากลยาณีเขาก็ผ่นโดานบรณฑตร ว, ว่าบิรฑรัตราชดีงไหมกับขกลามากพระเาศาสนา ทนบินโดวพระตราญชัดก็ว่าเวลากลางพระเจ้าทรงยกย่องท่านมาเป็นเลิศทาีท่านจะขอไปเอาอะไกันเวลากลางบอกว่าถ้าท่านไม่มีความสามารถสลงจะไปเอาเองนักเก่งสมนักเก่งท่ากันเนียเป็นว่าท่านบินโดวพระเ่ริญชัดก็หอกทำทีไม่หากฟาเอาก้อนหินก้อนใหญ่ที่รองท้ายจิตท้าไปด้วย พอวนไปวนมาวนมา ว, มาวไปชาวบ้านที่เข้าตัวสิ่งผีหล่นโยกตะกล้าบังตะแกรงบังมาบังหัวแล้วคนเจ้าชาเอดีตยิ่งให้ลงมาให้ลง ม, มาท่านเป็นลนาาตาพระตวราชกา็เลยสลักถึงไม่ว่าจิตเดินแล้วก็ท่นไม่ไปหยุดาตรเพราะถือว่าท่าไม่ประชิดในรับไม่ได้หยุดคงเขาไม่ได้ท่านป็ยืนอยู่บนหังคาต้องหาสถิหเข้าดูอสดะใมันลงมาข้างล่าง ถวายพระตาหานเสร็จก็ น, นำบัตมาถวายเนื้อเรื่องมันก็เป็นขนาดเมื่อจไห้ก็เห็น่พระเศาสนิสล า, สส า, าก็ดีสาสนาอก็ดีไม่มีใครหอดได้เมื่อ้อขาว่าจำบิงโดยพระรัตราชพบก็ อ, อยากจะเรอกบ้างหลยคนนเียนหอกนก็นอขอร้องเรบินเราพระรัาชศัอก แต่ใ น, นเมื่อเธอโดนสัตว์มโนธรรตัวชั้นคืดว่าถ้าเราไม่ห่อใ ห, อ, อให้เธอดูเธอจะมีความโกรธคนที่โกรธในพระอรหันต์แค่โกรธอย่างเดียวนะไม่ต้องดาา่านรอถ้าเราหอให้เธอดูเพราะเราเธอใช้ให้เราห่อคือื่องเกิดจากชาติใจชาติพินาศต้องไปใช้ตัวห้าร้อย ก็คนนั Somehow, ่งคิดว่าการเป็นทาดีกว่าหรืเราก็ขอให้ดูไอ้ผู้ที่สองไปแล้วผู้ที่สามทีันก็มาผู้ที่สามาแล้วผู้ที่สี่มาหอกันทั้งวันไม้องให้กินเงากินข้าวเล่ากันันนั้นไงเป็นว่าเสียงคนเกลียารรวมร่วมกับเจ้าเสียดีใจจดียมหาวิหารเป็ถามว่าอนวันทาเบอรก่อนนนท์ก็เสียงอะไร ถ้าองก็ตับเองเขาจะไปจอใจว่าบันเทือกตระลาถ้าตอนเขกจะไปร่เองก็จะเจ้าเขาเจเสียงเขาเป็นโลกาตะวันพาลจัรวาลก็จะแจ้งว่าคือจ้าจ้งว่าสังเกตุตามเขาเป็นโลกาตะวันฉามาเพื่อนำบาตรมาด้วยแล้วก็ส่งคำอิจฉาทำลายบาตรทุกในรายละเอียดแจกจ่ระทุกอง ว่าถ้าใครเป็นโรคตาให้จนุนจันจันนี่เจ้าแช่น้ำฝนนั้นน้ไม่อยากตาไม่อยากตาเรงตาจะหายหลังจากนั้นองค์พระบิาจอมใจก็ส่งห้ามบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายห้ามตั้งแต่พระละหันลงมาความจริงญาติโยมผู้ทธไม่ัตรพระละหันท่านในประปปบัิพระลหันไม่ทายังไงก็ตามเพราะท่านจะไม่ละเมิอดวินัยอย่างอ่ะ จะเมื่อบ้างรำหรัสมัาจารย์นพจารย์ใหม่กับบำบัดจะว่าสีขาวบทที่ตัดบทต้้งแต่พระหาชนุงมาว่านับตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปถ้าอะไรก็ตามจะแสดงปาฏิหาริย์ตอขอนุญาก่อนถ้าไม่ขออนุญาก่อนกระทรวงปฏิหาริย์เขาจะตัดติดโทษและโทษคนนี้เขนจะบอกยาแค่ไหน ก็เป <HAM measurements> <right> <ry k ism> ็ว <randomly> <ry k ism> ่าหลังจากนั้นเน่าจากกามีความจําเป็นพระองค์ได้แสดงปาฏิหาริย์เพื่อที่จะว่าพระที่เขามีโลเทสมาบัติตาเวลาจะมีรางวัลบุญบัตไปบ้านอยู่หลายสิบยอดเดียวกันก็มาแต่เวลาไม่ยอมให้ใครเห็นพอคนเห็นก็ลงโทษเวลานี้จะมีเวลาเมื่อพระที่เหาได้เห็นเห็นได้อย่างจะมีเยอะ ก็ไม um. ่ใช่ไม่แต่ก็ได้จ้างมาเข้ามาเข้ามาะห้มจ้างเอรจ้างทิ้งจ้างเขไรทั่งไปรับก็หลังจากนั้นมาเ่าไปถึงหลายที่ที่เขนได้ทราบว่ารระเจ้ากำลกาญพระแม่แสดงปฏิหารเขาก็ไปฟางกําเิยที่ว่านัดจังหวัดนี้เขต้องไปเราจะแสดงปฏิหารแข่งกับสำนะกโสตุดม ตามาพระเจ้าผู้มีศาลทรงทราบก็หนักใจถ้าไปเข้าองค์สมเด็จพระจอมไกรว่าในเมื่อพระองค์ทงห้ามพระแสดงปาฏิบัติแล้วก็ไปเดี๋ยวผีจะมีแข่งองค์จะทำยไงพระเจ้าก็บอกว่าถ้าเขาจะแข่งก็ถ้าเขาแต่พระทุกคนเอาครับต้องสู้พระเจ้าผู้มีศาลก็ถามว่าพระองค์ห้ามพระแล้วพระเจ้าบอกว่าฉันห้ามแต่พระจะไม่ห้ามตัวฉันเองนี่ใช่ไ ้าขอยอดตัดลับไปเลยแม้ว่าพระเจ้าแสดงไปเรื่องหันเศษช่ำไปส่วนสวรรค์เช่นดาวดวงจันทรโลกเรื่องราวมันไมเกียวพอถึงวนออกพรรษาคือวันนี้องค์สมเด็จองหาหมีก็กำลังจะเจียรสวรรค์เช่นดาวดวงจักทร์โลกไปยกงเรื่องเงินดานบันไดสามอย่างคือเรื่องเงินเงินทองเงินแก้วบันไดแก้วหย่กลางสาหรับพระเจ้าทรง มันไดทางย่ข้างขวาเพื่อจับพรมลงมันได้เืองซ้ายเพื่อจดานนางฟ้าล ง, ล ง, ง, ง ล, ลงที่กระตูเงยซึ่งกัตนาคอนมันเงยงดวงมาเห็นเรื่องนั้นแล้วอง์พระพุงธเจ้าวันก็ทรงถามปัญหาด้รรดาภัสสงทั้งหลายอันดับแรกถามปัญหาให้ปุถุษัยทัพอโสดาบันจ้อยพระที่ทรงชานพระที่ทรงชานตอบไม่ได้ พระโสดาบันก็ตอบตอนมาก็ถามปัญหาอันหนึ่งใส่พระสิทธาคามีพระโสดาบันตอบไม่ได้พระสิทธาคามีก็ตอบต่อมาก็ถามปัญหาเรื่องว่านาคามีพระสิทธาคามีตอบไม่ได้พระอนาคามีก็ตอบตอนมาก็ถามปัญหาอันหนึ่งใส่พระอรหันต์พระนาชามีตอบไม่ได้พระอรหันต์ต้องตอบ ต่อมาแล้วถามนิสัยของอาศสะเบ้อง้ายถ้าหลันปกติตอบไม่ได้ต้องพระโมคคัลาตอบต่อมาแลถามปัญหาเป็นเป็นนิสัยเพราว่าอัศวะเบืองขวาขึ้นบั่นเป็นากพระโมกคัลาตอบไม่ได้ภาษาที่หมดต้องตอบต่นมาแล้ถามปัญหาภาษาที่หมดแม้เป็นนิสัยพระเจ้าถ้าสายหมดตอบไม่ได้ พระเจ้าต้องถามซัมให้การให้ไหนภาษานี่บุ่นตอบได้ไม่จะบรรดาเปน็นพุทธวิสัทธ์ทใดเวลานี้มีการรักไก่เสมอคนที่อ่านหนังสือจะเป็นขั้นไหนก็ตามถ้ายังปฏิบัติไม่ถึงจะคิดว่ามีความเข้าใจถูกในพุทธศาสนาแม้แต่านโลคีแค่ชานโลคีต่ำๆสัสน้นๆใน้ระธรรมฌานก็ตาม ถ้าท่านเองอานหนังมากกว่านั้นก็่ท่าน ไ, ไม่เคยได้รับธรรมชาติท่านจะไม่รู้ความจริงของธรรมชาติเลยคนที่ได้รับธรรมชาติเราจะไม่รู้จะไม่รู้ความเป็นมาของตัวทศชาติทีาา่สองต้นก็เป็นเพราะว่าท่านที่จะรู้ได้จริงๆริงถ้าหากว่าเราเป็นคนฉลาดคนฉลาดจะอ้างโม้ไปถามไม่ได้นะพระอรหันต์พระที่เจ้าจะทาไมไม่ทำไมโม้ ถ้าอยากจะรู้พระองค์มีบรรลุขั้นไหนก็ตั้งไปคุยกับท่านโดยฟังคุยรบไม่เคยตั้งใจจะไปลองดีถ้าตั้งใจไปลองดีไปฟังรู้จะไปสอนออกจากบ้านเขาไม่คูยด้วยหรอกถ้าถูอว่าเสร็จสักมนุษย์แบบนี้เขาไม่คุยด้วยถ้าตั้งใจเอาจริงไปแล้วก็ตั้งใจบูชาแล้วอะไปสอนอ้งแต่บ้าน เราไปห็นน nah ักคุอย่างอื่นที่เป็นธรรมะตามสมควรจะเป็นเรื่องชางว่าเลยคเรืธรรมะธรรมเวยพอควรแล้วก็ถามถามสังโยชนิสิตขอการเข้าใจในสังโยชนิสิตถ้าท่านองค์นั้นเม็นโอโซดาบันนิสกิทาคามีท่านจะตอบแค่สังโยสามท่านจะไม่ตอบไปถ้งสีห้า เพราะวาท่านอค์น <mind. S 2> ั้นเป็นพระอนาสามีท่านจะตอบไปถึงสังสัโยชนห้าถ้าท่านองนั้นเป็นพระอรหันต์จะตอบป็นสังโยชน์สิบอราบดานเป็นพุทธวิสัทธ์นัยเสียงก็แห้งไม่คืนี้่ก็มาณหลับเปิดมาปีสองเป็นไข้ด้วยพีช่วงเวลาของเราเีขอจิตก็ทำเทศนาลงคงไว้จะเป็นธรรม่วันที่สุดที่เราไปดูธรรมนาเนี่ยธรรมาพระขอตั้งสติยาติฐานน่าควรมสใช้รัตนใจ มีในวัฒนธรรมรัตนะแรงสังขรัตนะงสารวัตการเพื่อลงบรรดาในบรรดาท่านผู้ <naughty vé> ัทท่านมีสรที่พระธรรมองคสมบูรณ์คผลไม่จนจะได้ไม่ด้จากวิิพนัุ้นมื่อยวันละสุขาวรละปฏิพันธ์หาทุกทนปรนา่งไได้ดังนั้นทังความปรารถนาทั้รการ อาจมาภาคประธานวิสันามานม่รมเทศนาสองเรื om, ่องก็ขยุกิก็ทะเทศนาลงคงไว้แต่เจ้างนี้บ้นพ่อพี่กับพี่ก็จะมี